บทภาชณีเมื่อสงฆ์ยังไม่ยกโมหาโรปนกรรมขึ้นปรับภิกษุธรรมผู้อื่นให้หลงต้องอบัตทุกขกดเมื่อสงฆ์ยกโมหาโรปนกรรมขึ้นปรับแล้วภิกษุธรรมผู้อื่นให้หลงต้องอบัตปาจิตตีติกาปาจิตตี447กรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องทำผู้อื่นให้หลงต้องอบัตปาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจทำผู้อื่นให้หลงต้องอบัตปาจิตตี คำที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรมที่ทำไม่ถูกต้องทำผู้อื่นให้หลงต้องอบัตติจิตตีติกัทุกกฎคำที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอบัติทุกกรคำที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตติทุกกรคำที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอบัตติทุกกฎ